Thank mm -hmm. you. เวลานี้เราพากันมาเจริญสติมีกรรมมีงานมีการคนผู้ทำงานก็จะต้องเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่ทำงานอย่าไปเอาความยากความง่ายมายเป็นเครื่องตัดสินใจเช่นเราศึกษาเรื่องการทำงาน ได้ข้อมูลได้เหตุได้ปัจจัยต่างๆแต่ว่าเวลาทำจริงๆมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราได้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะทางานทำการหลา ย, ลายอย่างเช่นเราเดินทางมันก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสงแดดละลอองฝนถูกคลักที่ก้าวที่เดินบางทีอาจจะสะดุดหลักตอถึงกล่มถึงเก็บ ก็มีมันไม่ใช่ปัญหาเป็นลักษณะของผู้เดินทางตรงร้อนตรงหนาวตรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าความเหน็ดเหนื่อยเมือม่อล้านะมันใช่เป็นอุปสรรคสําหรับนักเดินทางสมัยก่อนคนโบลอมโบลอนคนเดินทางเราก็จะพูดกันแต่เรื่องการเดินใครเดินเก่งจาก อ, อําเภอหนองเรือมาอำเภอแจ้งคร้อเดินจีชั่วโมง มาจินข้าวเที่ยงออกจากหนองเหลือมาจินข้าวเที่ยงแจ้งคร้อเราโล่เขาลือกันเราก็อยากเก่งเหมือนเขาเราก็เพียรพยายามที่จะเดินทางคนที่เดินทางห้าสิบกิโลนะ่ะใช้เวลาเพียงหกเจ็ดชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็แสดงว่ามีความเพียรเราก็ท่องเวลาจินข้าวต้องเดินจิ้นออกข้าวแขนเอวเดินจิน อ่ามันก็ได้แล้วเมื่อเราทำได้เราก็ยังภูมิใจหรือเราทำไรทานาเราไถานาเหลือพงุงลมแดดแสงแดดลองพ้นเอาบ้างร้อนบ้างเราก็ลอยๆได้นี่สำหรับผู้ที่ทำงานสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัตนนิโอมงเอาหอนเนี่ยมันก็ต้องมีสาหรับผู้เจริญสติ มันโชว์ให้เราเห็นความสุขความทุกข์ความรู้ความไม่รู้ความหังเลสงสัยแสดงว่ามันโชว์ทำให้เราหลงเราจะต้องไม่หลงจะต้องไม่ถูกสิ่งเา่าด้านหลอกโดยเฉพาะเรื่องกายเรื่องจิตมันจะต้องแสดงให้เราเห็นหลายๆอย่างบางทีมันเป็นนิสัยมันติดอะไรมาสาหรับชีวิตเราบางทีมันก็ สะดวกสบายหลายอย่างชีวิตที่ไม่เคยต่อสู้ก็บอะไรเวลามานั่งใช่วิธีนั่งไม่ให้วิธียกมือใช่วิธีเจริญสติโอมันก็ไม่ค่อยติดกายจะให้กายให้สติมันติดอยู่ด้วยกันนะรู้ไปทุกกริบหมันก็เป็นไปได้ยากสําหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกสําหรับผู้ที่ไม่เคยนั่ง10บนาทียี่สิบนาทีก็เป็นเรื่องยากปวดหลงังปวดเอวปวดขอ้อปวดแขน เราจะไปเจอสิ่งเราแน่ทิ้งความเพียรทิ้งสติก็มีมันแต่บางคนพอไปเจอสิ่งเราเน่เขาไม่ทิ้งสติแน่วแ น, วแนว่ติดตามไปติดตามไปเอาไปเอามาสิ่งที่มันโชว์มันหลอกกลายเป็นของเหลวไหลลูก่แก้งอย่างบางคนสองวันสามวันเอพอได้หลักแล้วตามที่ไปถามดูขอโทหลงพ่อ เอาจริงๆเนาะความคิดเดี๋หิวเราไปสุขทุกข์ก็เกิดจากความคิดเอาสิ่งที่เกิดนิมิตมาเป็นเครื่องตัดสินว่าสุขว่าทุกข์มันไม่ใช่เสมอไปถ้าเรามามีสติ ด, ดูจริงๆแล้วมันถูกหลอกหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์จากนิมิตจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหลอกให้ แพ้หลอกให้ช น, นะอ่าดีว่าไม่ดีพัดเข้าไปยาก่ายพัดเข้าไปผู้จเจริญสติเฉลียงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราสูงขึ้นความยากก็ทาให้เราไม่สติขึ้นความง่ายก็ทาให้เราไม่สติขึ้นความผิดก็ทาให้เราไม่สติขึ้นความถูกก็ทาให้เราไม่สติขึ้นไม่วันไหวกับสิ่งใดความรู้สึกตัวแน่ มันไม่เหมือนการทำอย่างอื่นถ้ามันสุขก็เห็นมันสุกอย่างหามันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์อย่างนาไม่เสียหายแต่มันหลงก็เห็นมันหลงไม่เสียหายถ้ามันรู้ก็เห็นมันรู้ถ้ามันสงบก็เห็นมันสงบถ้ามันพุ่งซ่านก็เห็นมันพุ่งซ่านถ้ามันปวดมันเมื่อยก็เห็นมันปวดมันเมื่อยถ้ามันง่วงเหงาห่อนอนก็เห็นมันง่วงเหงาห่อนอนนะสติมันจะเป็นแบบนี้ ถ้าไปสยบกับสิ่งไหนแล้วไม่ใช่สติไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องมาดสถานอยู่เช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสติอยู่สเสมออะไรเกิดขึ้นก็เป็นสติสเสมอจะเป็นความสุขเกิดขึ้นก็เป็นสติจะเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นสติจะเป็นความรู้ความไม่รู้เกิดขึ้นก็เป็นสตินี่เรียกว่ามาดสถานหรือ ว, ว่าอมตะเราต้องสร้างแบบที่ให้ได้ให้เข้าถึงชีวิตแบบนี้ จึงจะเป็นชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรก็คือสตินั่นเองที่มีอยู่กับกายกับจิตใจมีสติอยู่กับกายกับจิตใจกายกับจิตใจก็ได้ฐานได้ที่ตั้งเหนือสุขตัวทุกข์ไปทันทีบางคนก็เข้าใจเห็นความคิดที่หลอกตัวเองเห็นความสุขความทุกข์ที่มันหลอกตัวเองก็พัด้าไปในความสุขความทุกข์ อย่แท้ก็คือมูเดีปัญญามันก็เกิดลักษณะแบบนี้แหละเกิดปัญญาก็เปิดอย่างนี้ยิ่งเราถ้าดูไปดูไปดูกายมันก็มีจริงๆกงกายเอามาสร้างความรู้มันก็ได้จริงเก่งเอากายไปสร้างความหลงก็มีจริงเก่งเมื่อเราเอากายมาสร้างความรู้ความหลงมันยังจะแย่งเอาไปขึ้นไปให้เกิดความหลงเรื่องของกายเรื่องของจิตก็ก้ามาเกิดเราก็จะต้องเห็น เห็นจุด อ, อ่อดเห็นจุดแข็งที่มันเกิดขึ้นกับเราขณะที่ปฏิบัติธรรมเราก็มีบทเรียนมีประสบการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจถ้าดูดีๆถ้ามีสติมันจะเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่รองรับทําให้เกิดปัญญาทําให้ปัญญางอกงามอยู่บนความหลงต่างๆตรงกันข้ามมันหลงรู้สึกตัวนะมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกตัวหนะ่อรู้สึกตัวเนะี่ย อันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมจนว่าความรู้สึกตัวมากเรียว่าสติอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราแต่ก่อนนมันตามันหูจมูกกลิ่นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นอินทรีย์มันใหญ่มันแย่งกันเป็นใหญ่ ต, ตามันเป็นใหญ่ก็ไปกับตาถ้าหูมันเป็นใหญ่ก็ไปกับหูถ้าจมูก Green, กลิ่นกายมันเป็นใหญ่เขาไปกับกายใจมันเป็นใหญ่เข้าไปกับใจที่มันถูกกรงุรงกรงุรงแต่างๆ ง, ปงไปรับใช้สิ่งต่างๆจนเป็นจริตนิสัยวันนี้เรามาขอเิศใสมาขอนิศใสใหม่ขอเิศใสจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงมาสร้างความรู้สึกตัวนะมาขอเนิศใสมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวนะ เอาเน็ตใสได้เน็ตใสง่ายที่จะรู้ง่ายที่จะรู้ะรอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนีนะ้ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ได้เน็ตใสเป็นสติอินทรียสติอินทรีย์ถ้าใดเป็นใหญ่กาได้รับความเป็นธรรมแล้วใหญ่กว่าตาก ว, ว่าหูกมูากลิ่นกายใจรู้รสหินเสียง แัะ น, นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ก่อนเชื่อแล้วนั่นสนับสนุนให้เกิดความหลงพอเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อาศัยนิมิตทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์นละมิตรสุขสุขเพาะมีนิมิตทําให้สุขทุกข์เพราะรนิมิตทําให้ทุกข์แล้วก็เสียเวลาเวลาเสียเวลาไปโกรธไปโลภไปหลงเสียเวลาไปหมกมุ่นคุณคิดสินเปืองพลังงานโดยไม่จําเป็น นี่เรามามีความรู้สึกตัวมามีความรู้สึกตัวเรียกว่านิลามิตสุขถ้าเป็นสุขสุขที่ไม่อาศัยในมิตรอันใดอาศัยธรรมอิงธรรมอิงสติอิงความรู้สึกตัวเนะี่ยต้องสร้างให้มีในชีวิตเราแต่เราไม่สร้างมันมีไม่ได้เอาเหตุเอาผลอันใดไปแบ่งไปปันกับใครไม่ได้เป็นปัจจัตตังของใครของเรา เรามาสร้างกันนะเาว่าที่จะเป็นชีวิตใต้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้สู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือชีวิตแบบนี้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่มีคําว่าเกิดแก่เจ็บตายในสติในความรู้สึกตัวไม่มีคําว่าเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตแบบนี้ถ้าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เป็นอันดึนคนเราพบคนเราชาติสิ้นพบสิ้นชาติ คนละภูมิความหลงกับความรู้มันคนละภูมิกันแปลว่าภูมิธรรมภูมิศรรมิลภูมิธรรมให้ถึงภูมิใ้มันพึ่งได้มี่ิตมี่ใจมี่สติมันก็พึ่งได้แต่ก่อนเม่ใจมันก็พึ่งไม่ได้เอาใจไว้รักเอาใจไว้ชังเอาใจไว้โกรธไว้โลภไว้หลงเอาใจไว้วิตกกงังวลมันใช่จิตใจผิ ด, ผด เราใช่ไม่เป็นบางทีมันใช่เราด้วยในใจมันทึ่งไม่ได้ข่มร้อยคุมดีปูปูแผล บ, ผบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่บั่นใจตัวเองอย่างนี้มันจะมีค่าอะไรชีวิต เ, เรากิจใจที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยกิจตั้งทันตั้งสุขวะหังกิจที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้แต่กิจที่ยังไม่ฝึกก็นําความทุกข์มาให้ กิตตสรนิอติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปถ้าเราไม่ฝึกมันก็ย่อมนำไปถ้าฝึกก็ดำไปอันเดินมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงเป็นเรื่องที่มีกายมีใจเพื่อให้มาฝึกหัดถ้าไม่ฝึกหัดมันก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยมีภัยที่เกิดกับกายกับใจมากมายอยู่แล้วถ้าเราฝึก มันก็ไม่มีไผ่เป็นแต่ธรรมชาติเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นธรรมดาธรรมดาไม่มีออปารทานไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ก่อนในความร้อนความหนาวก็มีตัวเมตตนอยู่ในความร้อนความหนาวเป็นสุขเป็นทุกข์ความหิวความเจ็บความปวดไปอยู่ตรงนั้นอะไรมาก็ถูกหมดความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์ความร้อนความหนาวความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ชนได้ไม่มีที่บังไม่มีที่หลบ หมดเหนื่อหมดตัวไปกับความสุขหมดเหนื่อหมดตัวไปกับความทุกข์หมดเหนื่อหมดตัวไปกับความร้อนความหนาวหมดเหนื่อหมดตัวไปกับความเจ็บความปวดไม่มีที่อาศัยเป็นเป้าให้สิ่งต่างๆปลูกสอนถกกิงเก็บปวดจู่เคลนนั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตไม่ต้องเหนื่อกปวดนั้นปฏิบัติธรรมเจริญสติ จนมันไม่มีไผ่จนพึ่งได้ถ้าเห็นก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องเห็นแล้วสิ่งเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเรามีสติเห็นความหลงเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจได้หลักใต้ฐานเห็นจนเป็นรูปเป็นนามเคลื่อนไอยู่นี่นั่งอยู่นี่มันเป็นรูป มันลู้จากร้อนจากหนาวเทมันลู้จากทำโน่นทำนี่คิดโน่นคิดนี่มันเป็นนามมาทำมันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นก้อนมันเป็นกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มของรูปกลุ่มของนามมันเป็นธรรมชาติมันเป็นาการที่เกิดขึ้นรูปมันไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีปวดไม่เมื่อยมันก็ไม่ใช่รูปรูปมันก็ไหลอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่นี่มันก็ไหลอยู่ ไหลไปสู่ความแก่ไหลไปสู่ความเก็บไหลไปสู่ความตายอันนี้เป็นรูปไม่มีใครไปห้ามได้แต่มันเก็บไม่เป็นล่อนไม่เป็นหนาวไม่เป็นเหนื่อยไม่เป็นหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปโอ้ม่เห็นเขาโอ้มันเป็นอาการของเขาไม่ใช่ตัวใช่ตนเด็ดขาดเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปมีสติสัมปชัญญะไม่เอามาเปถูกุขนมาเป็นทุกข์ เป็นปัญญาได้ปัญญาเพราะรูปมันแสดงปัญญาเกิดจากรูปแสดงอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆปัญญาลอบรูปในกองสังขารของรูปเรียว่กกายยสังขารเอามาเป็นวิสังขารรูปมันปรุงแต่ว่าใจไม่ปรุงมันคนละส่วนความเจ็บที่เกิดขึ้นกับรูปความเจ็บที่เกิดขึ้นกับนาม แต่ก่อนมันเป็นเช่นนั้นมันทุกสองต่อถูกศอนสองดอกดอกตึงก็ถูกรูบดอกตึงก็ถูกน้ำเช่นความหิวรูบมันถูกสอนเอาไปถูกน้ำอีกน้าคือจิตใจก็เป็นทุกข์ไปอีกถูกศอนสองดอกปุตุชนเนี่ยถูกลูกศอนสองดอกสอนคือทําให้เจ็บปวดปุตุชนถูกลูกศอนสองดอก สำหรับพระเลียเจ้าพระอรียบุคคลถูกลูกศอนดอกเดียวเฉพาะลูกเท่านั้นน้ําไม่มีถูกไปเลยตลอดจนตายถ้าปลุกหัตถะถ้าให้ปลุกหัตถะจะน้ําถูกบ้า ก, กวูดโรปอีกคอยเจ็บคอยปวดใบเ ม, มอะไรถูกก็เจ็บปวดไปความคิดคิดขึ้นมาก็ทําให้เจ็บปวดตัวเองทําลายตัวเองเหมือนลูกระเบิดลูกระเบิดมันทําลายตัวเองย่อยยับมันก็ไปทําลายคนอื่น บุคคลที่ไม่เคยฝึกกิจใจเนี่ยน้ำมันทำลายตัวเองแล้วแล้วก็ไปทำลายคนอื่นเอมันเป็นอยู่เช่นนี้หรือชีวิตเราควรที่จะศึกษาควรที่จะไม่จำนุนต่อสิ่งเหล่านี้เราโกรธจกียข้างเกี่หนเราทุกข์เพื่องอะไรต่างๆเกลียข้างกี่หนควรที่จะหาทิศหาทางแล้วมันก็มีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบ จนได้หลุดออกไปตัดสัลุสัมมาสัมโพธิญาณสอนคนอื่นให้รู้ตามนี่แหละเรามาตามลอยพระพุทธเจ้าลอยพระพุทธเจ้าก็เดินอยู่บนสติอยู่บนศีลบนสมาธิบนปัญญาลอยของพระองค์เรากําลังตามรอยอยู่ไม่ใช่ลอยพระบาทที่เหยียบก้อนหินที่เป็นลอยอ่นนะก็เขาเป็นอ่นหนึ่งเราก็ไปกราบไปไหว อันนั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้แล้วก็ประโยชน์น้อยลอยพระบาทจริงๆคือเนี่ยตามความรู้สึกตัวเข้าไปจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาศีลกําจัดจิเลตอย่างหยาบสมาธิกําจัดจิเลสอย่าง ก, กลางปัญญากําจัดกิเลตอย่างละเอียดเป็นพระก็เกิดตรงนี้พระก็เกิดตรงนี้พระสงฆ์เกิดจากพระสิษธรรมมีการปฏิบัติตีเป็นต้น นี่ของเกิงเอาของเกิงมาศึกษาเอาของเกิงมาบอกกันเอาของเก่งที่มันเป็นรุ่นเป็นก้อนมาศึกษาให้มันเห็นแล้วมันก็เห็นไม่หลบไม่หลีกไปไหนมันมีอะไรเกิดขึ้นที่รูปที่นามมันก็แสดงให้เราเห็นถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นเป็นเข้าไปกับมันก็เลยผู้แบบให้ได้หลักว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็น ผู้เป็นเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นมันล้นเห็นมันล้นไม่ใช่เป็นผู้ล้นนั่นเรียกว่าสกยาทิฐิหมดไปแล้วสำหรับพระเดียบุคคลชั้นต้นอะไรเกิดขึ้นกับลูกความนามเห็นไม่เข้าไปเป็นเหนือแล้วเหนือ ล, ลูกเลยวะนะันนึงไปแล้ววนะันขึ้นสูงไปแล้วมนุษย์แล้ว ถ้าเป็นแล้วก็ต่ําลงไปแล้วถูกทับถูกถมแล้วความร้อนก็ทับถมความหนาวก็ทับถมความเจ็บความปวดก็ทับถมทับถมความโกรธความทุกข์อะไรต่างๆทับถมลงไปกี่ชั่นจีหลกเหมือนพญานาคพระพุทธเจ้าตัดสโลถาดทองลงไปซ่อนกับไอ้รวยจีไยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพญานาคก็ได้เยินถาดทองไปซ่อนกันปั๊บ ตื่นขึ้นมาโอ้มีพระพุทธเจ้าได้ตัดสลูขึ้นแล้วองค์ที่หนึ่งแล้วกุกุสันทโถโคนาคบโนกัดสโปโคโคทมโออะเยเมตัยโย อ, องค์ที่ได้รับนับตื่นที่หนึ่งตื่นที่หนึ่งพอได้ยินเสียงถาดทองซ่อนกันลงไปโอ้ตัดสลูอีกแล้วเราก็หลับไปอีกซ่อนกันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน หมกมุ่นอยู่ใจก้นบึ้งก้นหน้าก้นน้ําก้นดินที่ไหนไม่รู้เราจึงมายกขึ้นมามายกขึ้นมามันหลงเห็นมันหลงยกขึ้นแล้วมันสุขเห็นมันสุขยกขึ้นแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ยกขึ้นแล้วมันโกรธมันไม่ตกกังวลเศร้าหมอนมันง่วงเหงาหอนอนยกขึ้นแล้วเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นสิ่งมันขึ้น ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั่นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปฏิจสปปฏจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสมุปบาทมันต่อกันเกิดต่อกันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะมันมีรูปมันจึงรุ่ดจากร้อนจากหนาวเราหกล้ ม, มเพราะถนนมันเปียกเราล้มเพราะถนนมันเปียกเราจึงลบ ทำไมถนนมันเปียกเพราะฝนมันตกทำไมฝนมันตกเพราะมีคนเมฆเพราะมีแสงแดดถ้าจะเป็นปฎิจจสมุปบาทเห็นเหตุเห็นปัจจัยชัดเจนไม่ใช่กรรมใช่เวรไม่ใช่เคโสเขียนเวรกรรมมันมีเหตุต่อกันที่เราจะเป็นทุกข์มันต้องมีเหตุก็แก้ที่เหตุเยธรรมาเหตุตปปภาวะนะสิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุแย้ที่เหตุอัตพภะอจคิสอนภาษาลิบุตร สารีบุตรได้พรรุธทําเลยเขาลบพระอสชคิถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกจะถือเป็นอาจารย์พระสัชคิบอกว่าไม่อย่าเลยพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของเราพระอัชคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพรสารีบุตรถามพระอัชคิพระอัชคิก็บอกโน่นอยู่กรุงราชคืเขาถึงพระพุทธเจ้าเขาทำพระสงฆ์โน่นแต่สารีบุตรเขาลบพระอสชคิได้ยินว่าพระอัชคิ อยู่ทางทิศใดสอบถามตลอดเวลาแล้วหันหัวเวลานอนหันหัวไปทางทิศพระอัศคิิอยู่เพราะได้ฟังธรรมที่เป็นความลึกซึ้งเยธรมมาเหตุปปปวสิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุตรงนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเรียกว่าเห็นธรรมเช่นเราโกรธทำไมเราจึงโกรธโอ้เพราะเราหลงเราทาไมจึงหลงเพราะเราไม่มีสติ ทำไมเราจึงไม่มีสติเพราะเราไม่ได้สร้างทำไมเรายังไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาไม่สนใจปล่อยให้โกรธแล้วโกรธดอดรหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายหลวงพ่อเคยพูดอยู่สเสมอว่าควรที่จะหลงควรที่จะหลงเป็นขั้งสุดท้ายควรที่จะโกรธเป็นขั้งสุดท้ายควรที่จะทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายด้วยสัําไป เราจะอยู่ยังไงชีวิตเรามีค่าอะไรถ้าเราอยู่ใ น, นลักษณะแบบนั้นนี่แหละทางทางชีวิตของเราทางชีวิตของเราเราทํากับมือของเราได้ทํากับชีวิตของเราเห็นต่อหน้าต่ตอตาความหลงก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามันไม่หลบไม่หลีกไปไหนเราก็เห็นมันซะความทุกข์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามันก็ได้หมดอยู่ใต้ดินที่ไหนมันโชว์ให้เราเห็นอยู่เราต้องแก้ รถที่มีสมองดีเวลามบรรลุน้ํำก็บอกว่าบรรลุน้ําต้องช่วยมันเสีเวลาน้ํามันหมดมันก็บอกว่าน้ํามันหมดเราก็ต้องช่วยมันเปลี่ยนซะถ้าใช่มันเก่งๆนะอ่าน้ํามันหมดไว้แดงเข็มมันก็ขึ้นสวนตลอดก็ต้องช่วยมันมันจึงจะอยู่กับเราพอมันโชว์แล้วไม่แก้ไม่ไขไม่เปลี่ยนไม่แปลงมันก็จีบหอยชีวิตเราจิบหอย มันหลงก็ล่หลงอยู่แล้วมันโกรธก็โกรธอยู่ดั้นมันทำอะไรความโกรธความหลงทำอะไรเราชีวิตเราจะต้องยอมรับอย่างนั้นให้ความโกรธเป็นเจ้าเรือนให้ความหลงเป็นเจ้าเรือนให้ความทุกข์เป็นเจ้าเรือนประโยชน์ของเราที่เกิดมาอะไรตรงไหนนี่แหละปฏิบัติธรรมทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมเพราะมันมีอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมสามสี่ห้าวันเห็นมันหลงไหมเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไหม เห็นมันเบื่อไหมเห็นมันขี้เกียจขี้คลา่นไหมเห็นมันเครียดไหมโอ้มันจะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตหรือสึ่งเหล่านั้นนะมีสติลงไปมีสติลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปนี่สิน้นพบสิน้นชาติมันหลงทีไรก็ทําความรู้สึกตัวความหลงสิ้นไปแล้วมันหลงอีกรู้สึกตัวอีกมันจะอยู่ได้อย่างไรมันเรา ปราบเจ้าคาป่าพงที่วัดป่าสุกโตยาคามีที่ไหนปราบมันมันเป็นเชือบไปป่าพงอยู่ที่ไหนปราบมันมันเป็นเชือบไ้แต่ก่อนแถวสลาหอไตเนี่ยป่าพงป่ายาคาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นต้นยางขึ้นพอปลูกยางขึ้นแล้วก็เห็ดละโงกเกิดขึ้นมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิใหม่เลยมันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนภพภูมิใหม่แล้วภูมิป่ายางภูมิเห็ดละโงกภูมิปล่มเย็นไหม่ ไม่ไฟเข้ามาได้แล้วมันไม่มีเชื่อมไม่ไม่เชื่อเปลี่ยนภพภูมิให้กับตัวเราเรไปยอมมันยังไงเราต้องเป็นเจ้าของกายของใจสติสมชัญญะคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเฝ้าดูเหมือนเราไม่ีบ้านไม่เรือนไม่เจ้าของดูแลอะไรที่มีเจ้าของดูแลสิ่งเหล่านั้นก็ปลอดภยัยไม่ใช่เถื่อน ของเถื่อนของสาธารณะเขาทําให้เราโกรธแล้วก็โกรธโอ้ยมันสาธารณะเามาใช่เราเขาทาให้เราหลงเราก็หลงโอ้ยสาธารณะสํมสอนต้าเป็นจิตก็เป็นจิตสํมสอนคิดอะไรก็ได้มันโศเพในกิตเอาหอบเหี้วไปไหนก็ได้อย่าคิดอะไรก็ได้ เขาคิดให้ลักก็บลักเขาคิดให้ชังเขาคิดให้โกรธเขาคิดใจทุกเรียกว่าโสเพนีกิตเป็นจิตที่ต่ําต้อยต้องเป็นจิตที่ไม่เป็นโสเพทีเป็นจิตที่เป็นชัดเจนแม่นยําของมีเจ้าของดูแลปลอดภัยอยู่ทุกโอกาสเดี๋ยวนี้เราดูแลตัวเราไม่ค่อยเป็นปฏิบัติธรรมคือมาดูแลกายใจของเรา อยู่กับกายกับใจให้อยู่นานๆลักกายลักใจลักตัวเองลักตัวเองเนี่นะเอาจริงจริงมันประเสถียว่ารักคนอื่นถ้าลักตัวเองเป็นแล้วก็ลักคนอื่นได้ง่ายแต่ช่วยตัวเองเป็นแลว้วก็ช่วยคนอื่นได้ง่ายถ้าดูแลตัวเองคุ้มแล้วก็ดูแลคนอื่นคุ้มถ้าดูแลตัวเองไม่คุ้มหล้วโอ้ยมันก็จะมีอะไรที่จะต้องไปบอกไปสอนคนอื่น พระนักสอนธรรมยังกินมากยังสูบบุรียังโกรธอยู่คนผอมขายยาอ้วนไม่ใช่ต้องทําให้เขาดูต้องอยู่ให้เขาเห็นต้องพูดให้เขาฟังอะไรที่เราทําได้ยังไงก็สอนอย่างนั้นเรารู้สึกตัวเรามีสติก็สอนให้คนอื่นมีสติถ้าสติอยู่กับเรากับสติอยู่กับเขาก็นเดียวกัน เห็นเรามาพลิกมือรู้สึกตัวเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมเอออันเดียวกันความรู้สึกตัวไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายความรู้สึกตัวไม่เป็นครัวว่เจ้าโจมความรู้สึกตัวไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวไม่เป็นคนแก่เป็นความรู้สึกตัวการเดินก็คือความรู้สึกตัวการยกมือก็คือความรู้สึกตัวการหายใจก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปอยู่กับกายยึดกายยึดจิตไปเลยมีแต่ความรู้สึกตัว อะไรก็ตามมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวเมื่อมีแต่ความรู้สึกตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นพิสูจน์กันตรงนี้พิสูจน์กันตรงนี้เราเลยจะอบอกว้ผู้ใ ด, ดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกีวันหนึ่งเดือนถึงเกียตเดือนหนึ่งปีถึงเกียตปีจะเกิดพระอริยะในสงฆ์สองประการหนึ่งเป็นพระอานาคามีผู้มีพบอันเดียว สงเป็นพระละหันผู้สิน้นภพคำ ว, ว่าภพเดียวเดีย๋ยหลงปับ๊บไม่หลงอีกแล้วเรื่องนี้โกรธปับ๊บไม่โกรธอีกแล้วเรื่องนี้ภบเดียวพระอนาคามีมีภพมันเดียวไม่ใช่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วว่าปฏิบัติทำอีกกตายไปอีกเกิดมาแล้วปฏิบัติทำอีกจึงค่อยจะได้บรรลุธรรมมาใช้มันหลงปั๊บเดียวก็โอ้ยแม่นจริงๆชื่นใจเห็นความหลงวันทุก ตื่นเฮ้ยชื่นใจเห็นความหลงมันโกรธขึ้นใจเห็นความโกรธปัโทปัดโทปัดโทหรือว่าพุทโทนะพุทโทพุทโทพุทโทเรามาบริกรรมที่จริงมันตื่นทุกข์มันตื่นทุกข์นะนี่เราโกรธเจี๊ยครังเจี๊ยหนเรื่ององเราโกรธเจี๊ยครังเจี๊ยบางทีโกรธแล้ววันนี้เอาไปนอนอยู่บ้านจังหวัดบุริลลามเอาคิดถึงเรื่องนั่นโกรธอีกนอนอยู่บ้านคิดถึงเรื่องนั่นโกรธอ้าวมาสุกโตคิดถึงเรื่องนั่นโกรธอี คิดถึงเรื่องนั้นหลงอีกคิดถึงเรื่องนั้นรักอีกคิดถึงเรื่องนั้นชังอีกตัวเองปุ๊กอยู่ดังนั้นเอาเรื่องเก่ามาคิดแล้วก็รุ้งปุ๊กแต่เรื่องเก่าเรื่องเก่าย่ำคิดเรื่องเกา่าบางทียิ่งคิดมากาเรื่องใดที่ทําให้เป็นทุกข์ทให้โกรธเอามาคิดจริงความสุขมีเยอะแยะความไม่โกรธมีเยอะไม่เช่อเอามาคิดเลยบางคนชอบคิดแต่เรื่องที่ทําให้โกรธทำไ้ทุกข์ เขาว่าก็เราเขาว่าก็เราทําไมจึงทําอย่างนั้นทําไมจึงทำอย่างนี้มันติดนะมันติดเขาเรียกว่าวิบากกรรมไม่สิ้นกรรมเอามาคิดอยู่เลยเอามาคิดอยู่เลยหรือว่ามีกรรมติดตามกรรมติดตามกรรมตามทันไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมผู้สึกตัวเนี่ยลบกรรมเราตัดกรรมล้ว ใครใจเป็นยังไงก็ตามรู้สึกตัวอะไรที่มันปุ๊บไปคิดไปหน่อยรู้สึกตัวนี่ทําให้กรรมมันเส้นไปแม้มันมีอยู่ก็บเบาบางกรรมเบาบางกรรมเบาบางความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถมลงไปถมลงไปถ้าจะเปรียบเหมือนน้ําที่มันไหลโยนก็นสอบใายลงไปปุ๊บลงไปเอา้าหายแวบไม่เห็นเลยโอ้ยหมดหวังแล้วไม่รู้อะไรแล้วปฏิบัติมาในสองวันสามวันไม่รู้แล้วเอา้า กระสอบสายมันไปนอนอยู่ค้นน้มโนูนมันก็ทำหน้าที่ของกระสอบสายหนึ่งกระสอบโยนลงไปอีกสองกระสอบโยนลงไปโยนลงไปอีกกระสอบสายที่โยนลงไปไม่เสียหายไปไหนมันก็ทำหน้าที่โยนไปโยนมาถมลงไปตรงนีง้สองวันสามวันโยนลงไปเอ้าไปมากับค้นน้มขึ้นมาค้นขึ้นมาโอ้ก็ขวางกันแล้ว เต็มลงไปความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ขวางกั้นบาปอกุศลทั้งหลายให้มันเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเอาไปเอามาก็เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนขวางกัน้นยิ่เลธจธรรมทั้งหลายได้เหมือนกันจะไปประเมินรู้สึกตัวมันก็เป็นความรู้แล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เราทำกับมือของเราทำกับตาเราทำกับชีวิตของเรา มันหลงก็เห็นของความหลงจริงๆแล้วก็เปลี่ยนของหลงเป็นความรู้ได้จริงๆนี่มั่นใจมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์จริงๆก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ทันทีนี่ก็อย่างนี้นะเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนภาวนาคือเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนสุขเป็นรู้อะไรก็ตามเปลี่ยนมาเป็นอันเดียวเปลี่ยนมาเป็นอันเดียว มันจะอยู่ได้ไหมล่ะถ้าทำอย่างนี้นสำหรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกธรทำสามารถปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัาการผู้ปฏิบัติต้องลู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลู้ควรเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติอย่าไปอ้อนวอน ไปที่ฐานเนี่ยอะไรทั้งหมดต้องทําลงไปกระโจนลงไปจริงๆยกมือรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเอามันเรื่องเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นให้มีกรรมมีการกระทําจ่เก่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราทําความเผิดนั่นแหละก็ให้เห็นมันซะจะได้ไม่ล้มกับมันอีกมันล้มให้สุขมันล้มให้ทุกข์มันล้มให้ขี้เกียจที่ข้านเบื่อได้มันมานั่นแหละ กิเลสมานขันธมานสังขารมานมัจจุมานเทวบุตรมานเทวบุตรมานคิดถึงที่นอนหมอนมุ้งคิดถึงอาหาบ้านคิดถึงความสะดวกสบายที่บ้านสะดวกกว่าอยู่นี่อยู่วัดป่าสุขโตน้ำแดงแดงอาหารก็จําเจก็เดินอยู่อย่างนี้อยู่ที่บ้านนั่งห้องแอร์เทวบุตรมานก็ขวงกันเหมือนกันหนาะอดแต่คิดถึงแต่ความสะดวกสบาย เห็นพระพุทธเจ้าภาษาอะไรพวกเราปรสาทสามฤดูฤดูฝนอยู่หลองหนึ่งฤดูรอดอยู่หลองหนึ่งฤดูหนาวอยู่หลองหนึ่งเวลานั่นพระองค์ไปนั่งอยู่ใต้ต้นพโก็ย่อมคิดถึงประสาทสามฤดูคิดถึงสาวสนมกำนันไหนคิดถึงพิมพาราหุนเมียสวยลูกน่ารักคิดถึงทรัพย์สินสะดึงคานคิดถึงพระราชบิดาบริวารทั้งหลายก็ย่อมคิดไปโอ้เทาวัุต์ตรมาน พอนั่งอยู่ในต้นโพลลมพัดก็ถูกแล้วองผลก็ถูกผลตกมาก็เปียกบางทีเหลือบยุงริดเลยงูเลื่อยมาสัตว์เลื่อยมาสัตว์ต่างๆสมัยก่อนอยู่เนี่ยเหมือนกันงูเห่าโดง่งคู่เก่งเดินไปห้องน้ําแล้วนั่งอยู่ในห้องน้ํามันคู่เราขู่ขู่ขู่บางีมีไก่มันกันกดไก่ตายออกมากัดแล้วมันคู่เราเราก็อยู่คนเดียว โอ้อเราจะไปฆ่ามันก็ไม่ได้เนาะมันขู่เก่งสมัยก่อนเก่งก็เห่าเก่งช่างก็ขู่เก่งอะไรต่างๆคิดต่โอ้หนีไปกลัวกลัวตายมัดจุมานกลัวตายกลัวเป็นไข้มาลาเรียกลัวงูกัดกลัวต้นไม้ล้มทับเวลาลมมาหนีไปไหนไม่ได้ต้นไม้ล้มเคล้มขค่มเคลิมค กลัวอะไรก็กลัวหมดกวัวกลัวคิดขึ้นมากลัวมีไหมคิดขึ้นมากลัวมีไหมนี่มันก็คิดขึ้นมาแล้วกลัวกลัวความคิดตัวเองยังไม่เป็นอะไรก็กลัวแล้วคือติดอะไรมาติดปุหี่ติดเล่าติดสุขติดทุกข์อะไรมาอันธมารลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้ยสังขารไม่ได้ปวดหลังปวดเยวลงขอนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้อ่าคิดเรื่องขันเก็บ อุ้ยไปคิดทําไมนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ทําก็ยังไหนห้อยขาก็ได้เหยียดขาก็ได้พับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้มีอริบ ท, ที่เราจะต้องสร้างสติไม่เกี่ยวกับรูปแบบอะไรถ้ามีสติเรามาฝึกขันไหนเพื่อให้เกิดสตินะทุกคนตัวต้องมีโอกาสปฏิบัติายังหายใจได้อยู่ปฏิบัติตาย ทิพตาได้อยู่คืนน้ารายได้อยู่ปฏิบัติได้เหมือนฌานกําพผลเขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อเขาว่าเขาเป็นคนพิการมีแต่อลิวบตอนอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เขาบอกว่าปฏิบัติทําได้ไหมเขาบอกว่าได้หายใจอยู่ก็ปฏิบัติได้ลูกสึกตัวขณะหายใจเขา้าหายใจออกเขาก็ปรอกว่าเขาทําได้จนเขาบอกว่า ร่างกายพิการแต่กิจจดใส่ร่างกายพิการ